โดยส่วนใหญ่ก็บคนทั่วไปอ่ะแปลว่าเขาจิตอยากจะให้ลูกของเขาอยู่เป็นสารว่าไม่อยากให้เป็นพระเจ่าพระสงฆ์อะไรเนี่ยแต่เขากเได้เจ้าคือพระธนชาตราบิดาพระธนองเดียวกันกันแบบนี้ ร้องขอจากพระพุทธเจ้าเรื่องติ่าท่านหน้าเนี่ยติร้องขอบีบวดคนบิดามันดามนอนุญาตคือพระพุทธจเจ้าเปิดออกบวชก็ไม่ได้บอกลาพระาดบิดามันดาวงคณาญยยา เวลาบวชมาจนจนมุกุเที่วจ้าแล้วเด็จมาปลูกพยากกตัวเอานนทะกุมานถึงเป็นน้องสาวนุชาของพระองค์แต่งงานวันนั้นไปส่งบาทก็พจบวชอีกเจ้าคือโททนะท่านตัในันทะสวยลสมบัติ แต่เขาไม่ได้เจ้ า, าจเอาไปบวชเนจะเสียใจพอสมควรต่อมาลาหุน่นจะขอลาชสักราชมรรดาให้ขอราชสัก จ, จ, จ, จากราชดีดาที่อยาจะให้เป็น <c oughs> พระราชาสืบ องตะกูลพอองหมดคิดแล้วหละแต่ซับมันจะนิซับหยาบมันเห็นแล้วับทับทีไหนวิเศษแต่เศษอะไรเอ้าไปดีไอ้ซับให้ดีกว่ามั้งเลยจับละหุ่นบวชอีกเลยเสียใจใหญ่ลูกก็ไปบวชล้านไปหาก็เอาบวชเลยแต่ร้องขอทาพขอแม่ดิดามดาแม่รม่ยหยาบบวชแม่ได้ต้องให้ขอแม่ วิดามันดาเขาอนุญาตจะก่อนทั้งจะบวชให้ได้จึงมีคำถามขางหนาะในการบวชวิดามันดาอนุญาตได้ยังอ่าเราตอบนัชชิพันเจยังท่านควรบวชให้เราต้องอามาพันเจอนุญาตแล้ว ท่านเพิงบวชให้มีปุตินีจิดามันดาใครในโลกทีเก็จะเหลื่อมใสศรัทธาอยากจะให้ลูกของตัวไปบวชในศาสนาอยู่ในวัดในวาเรื่อยไปเท่าไหร่หรอโดยส่วนใหญ่นี่แต่อยากจะให้เป็นฆราวาดเขาเคยสุขเคยสบายเขาเคยถือว่าสราวานเป็น ตงดีวิเศษตัวกินอะไรอร่อยก็ อ, อยากใจคนอื่นกินอย่างนั้นเพราะใจว่าคนอื่นจะอร่อยไปตามนั่นก็เลยหนีมีความพอใจหนีมีความยินดีอีกอย่างก็คือกลัวลูกของตัวนั้นบวชไปแล้วจะทนทกิเลสปัญหาไม่ได้สื่ อ, ออกมาใจวาิชาความรู้จะไม่มีตี่อยู่ที่อาศัยจะหาจิตไหนท่านเขาคิดไปนะอย่างนี้ก็ู้มีอีก คิดว <ạ. S 1> ่าลูกบวชไปแล้วเจ้าตั้งหน้าตั้งตาอยู่ในศาสนาแต่รอดฝั่งท่านก็ม่เคยเท่าไรบางท่านบางคนคิดห่วยว่าแย่แล้วถึงใครคิออกมาจะเรียนวิชาหรือทำมาให้กินอะไรก็ไม่ท่านเขาเลยคิดไปคำนองนั้นหลายแง่หลายมุมกอนแง่เองก็เคยมีเคยฝึก เคยปฏิบัติเห็นอาจเห็นธรรมเห็นความสุขทางจิตทางใจแันจริงไม่เหลือ่อมใสถึงจะมีศรัทธาในการทำบุญพุ้นทานอยู่บ้างแต่เอาจริงเอาจังนั่นก็ยังว่าลูกสิมีสติปัญญาพอที่จะนำวงตระกูลให้จริญต่อเนยเขาก็ไปฝากศึกษาเราเรียนเสีย ลกคนไหนมันเจเล่เจ ก, กะมันในเอาทานให้อันธพานใหญ่อ่ะไหลมาในศาสนามันเป็นได้แบบนั้นฉันเห็นกันเลยศาสนาวัดวาจะเลยเป็นถังขยะเอาตั้งแต่คนชั่วคนเสียชิงเข้ามาแต่ก็มาทำนี้ท่าเนีนในวัดพอพฤติปฏิบัติไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ก็เอาแต่ผีแต่เป็ดเขามามันก็ไม่ดีให้แาวคนดีเขามาในศาสนาศาสนาก็ดีสม่ไม่พุทธการไม่เป็นอย่างนั้นคนออบวัโดยส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ใช่ถูกขับไล่ไสายสงไม่ใช่ราษฎรไฟฟ้าหัวไปไม่เลือ่องสศรัท ธ, ธาถ้าเป็นคนดีมีคนนี้ยอมชมชอบ สายป่าประชาชนทั่วไปเหลือสายสัตวาองค์อืนอ่นๆ อ, อย่างยาัตว์หรือเรบวชหรือพวกปันเจวิชีพวกสดินไรือพวกจีเป็นบวดที่เป็นกษัตริย์เหล่านั้นก็เหมือนกันในใจคนเจียกระ ล, ะ ล, ะละาลานในอธานเห็นคนจี่เขียนไทยในวัตฏสงสารเขียนทุกเขียนโทษของความเป็นอยู่ มาหาจินไปถึงวันตายไม่มีอะไรเหมือ น, นกันกับสัตว์ธรร ม, มด า, มาตายไปไม่ได้ทำคุณความดีอะไรไว้จะเอาคุณที่ไหนไปก่อสร้างให้คบชาติทางหนามันดีขึ้นก็คิดไป้ทุกอย่างคนที่คิดคีเนึกที่เบือดที่หน่าย ในเรื่องของโลกออกบวชโ ด, ดยส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลอย่างแย่ใาสาคุณระบุตรก็เหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามีมิตของท่านที่ออกบวชพระทรามก็มีปราสาทสามหลังเหมือนกันมีบริสัทบริวา ร, ร, า ร, ร, ารมากมายเยื่อมรุ่งมังเลตึงเยอะแยะมันเบือเ่อเรื่องของโลกเล่นไปเล่นมามันก็เบือ่อ เบ่อตัวหาทางออกอย่างพระริบุตหมดพลาก็ยังเป็นหนุ่มอยู่ในใช่เป็นคนแก่อะไรนี่ก็ไปดูมรณะศพทุกวันที่เขาเรีนดีก็หายร่างวันเข้าไปเิดฉลิมพรเราชสนุกสนานไหนระยะที่ดูอยู่นั้นไปดูกันทุกวันตระกูลของ ท่านทั้งสองนี่ก็เป็นตะกูลที่ดีมีอันกินไม่อดอยากูวันนั้นวันนี้หลายวันเขาคนเราเประลึกได้รลึกได้เอ๊ะคนที่เล่นกคดีคนที่ดูก็ดีอยู่นี้ไปอีกกี่ปีต้องตายกันหมดเราจะมาเปิดเผย normal ทำไม ในการดูการเล่น อ, อย่างนี้มันคิดขึ้นในจิตในใจแล้วเลยเกิดความเบื่อหน่ายเดี๋ยวชวนกันออกฮะวิโมกัดทำเคืธอทมที่งผลจากโลกข้ามจากโลกว่าจะมีที่ไหนระยะนั้นก็มีอาจารย์สนใจเนี่ยถือเป็น ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่คนเยื่อมใส่ท่านเป็นอรหรัตอรหันต์ทันดีทันดีทันวิเศษผวกนี้ก็เลยไปมอบตัวเป็นศิษย์ศึกษาเราเรียนกับท่านจนจบความรู้้องท่านท่า น, นก็ให้เป็นครูแนะสอนแทนอาจารย์ต่อไปแต่พวกนี้ไม่ได้อยู่ในแค่นั้นจบแล้ว แทนที่ไว้จะยินดีในวิชาที่ตัวเรียนมาเกิแล้วเกิดประโยชน์เกิดความสุขแล้วไม่เป็นอย่างนั้นดูภายในคือจิตใจของตัวมันละถอนกิเลสตัณหาใดไหมหรือมันยังมีความอยากมีความเหวาล้านแต่เผาใจของตัวผันวลกดูภายในเห็นว่าหลัที่อันนี้ทางสอนอันนี้ที่เราศึกษามาไม่มีอะไร ที่จะทำลายกิเลสตัณหาภายในได้ไม่สุขไม่สบายไม่เ ย, อเ ย, ยือกเย็นเลยชวนกันหนีออกฮะอาจารย์ใหม่ยิงไปพบพระอาจจติสิแแสดงทำในฟังไม่กี่คำเท่านั้นท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมว่ราะท่านคิดอยู่แล้วมุ่งมั่นอยู่แล้วสศรษฐปัญญาของท่านก็ดีอยู่แล้ว พูดอะไรที่มีเหตุมีผลกขจับที่นี้พี่เจ้าน่ะจนจิตใจเชื่อมั่นเข้าใจจริงในคำที่่ันพูดเลยลาอาจารย์หนีไปเพื่ออยู่กับอาจารย์ใหม่อาจารย์ก็เสียใจหลุกจิตคนสาคัญทีแล้วมุ่งมั่นไจะใ้เป็นครูเป็นอาจารย์ สอนเราออสอนแทนเราพคตรจริงหนีไม่อยากให้หนีอ่อนวอนเท่าไรตรงนี้ก็มีอยู่นี่จะหนีถ่ายเดียวเพราะเห็นว่าอาจารย์นั้นทำสอนของอาจารย์นั้นมีสาระม่สามารถที่จะทำลายจิเดียดตัณหาได้อ่อนวอนเมือ่อร้องขอเท่าไรไม่เชื่อฟังเท่าไ ผมต่ก like <abs> <él tu> <ệt> ็ชวนอาจานไปด้วยไอาจาย์บอกว่าเราหนีไปไหนไม่ได้แล้วใหญ่แล้วโตพอแล้วกลมหัวจะไปไหนไม่ได้นอกจากคนอื่นเดียววะกล่าวมาไหวเพราะจิตถีมันจัดมานะมันจัดมีคนเสือคนเหลื่อมไส่หาใจแบบตัวดีตัวเด่นจะไม่ตรวจตาพีิจัยนาใจของตัวเองผมนีนี้ไปลูกติดลูกหาจีอาศัยอยู่ด้วยตัวนี้ไปด้วย เป็น่อยร้อยติดตามบนใบเสียชจยจริงกรลือดต้บนใบบองต้นศาสนาที่เกิดขึ้นคนดีทางนั้นท um yes ี่เข้าไปที่เขาไปศึกษากันในใจคนเจ๊กลาลานคนชั่วคนเสียคนไม่มีเจตี สัญญาธรร ม, มาหาจินได้ไปแอบแสงบวชเพราะอะไรอาศัยการบวชยังชีวิตไม่เป็นแบบนั้นเขามีอยากมีกินมียศมีสัตว์กระสัตรก็ยศสูงขนาดไหนเทียดถีก็มั่งมีขนาดไหนจนเป็นเจ็ดถีแต่ไปหาขาอาทานกินตามป่าตามเขามีอะไรเขาให้ ทานไปไม่ได้เลือกจิงได้จีตไม่เบื่อไม่เมาทานไปก็ ร, <c oughs> ร่างกายเป็นอยู่ได้เป็นวันวันไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่เพราะร่างกายมันไม่แตกสลายพ็ได้ตั้งหน้าตั้งตาเดินจงกรมภาวนาสำหรับจิตใจของตัวถ้จิตไปเพียงแค่นั้นไม่ได้ถือว่าอันนี้ ดีอันนี้ปาง น, น, นี้อันนี้รสชาติอร่อยอร่อยไม่ได้ติดในรถหนักแน่นขนาดนั้นติดในธรรมเรื่องของทันสมัยก่อนทันริงอยู่ได้ออกไปก็ไปไหนหาพอครัวติดตัวไปไปฏิบัติทั้งทางทิตันเป็นกษัตริย์เป็นเจ็ดีเขาขให้อะไรก็ทานกันไปมุ่งมันแต่ขอให แต่เพื่อปฏิบัติทำสะดวกสบายไมไ่คิดอันอื่นแต่คิดแบบนั้นมั่นก็หาวิเยกได้อยู่สถานที่ใดก็สะดวกสบายทําให้คิดแบบนั้นอันนี้มันมนสมควรแก่เราเราเป็นกูหลักผููใหญ่เราเป็นคนที่มีตระกูลนี่อันอยู่อันจิน สะดวกสบายจะมาให้แบบนี้มันไม่สมควรถ้ามันคิดแบบนั้นมันปรุงแบบนั้นมันก็เข่าปลาเข้าดงอยู่วิเวกไม่ได้จะหาความสุขแต่แค่เรื่องของโลกของตาของหูของปาของท้องแล้วอยู่สุขอยู่สบายทาั้งกายเั่านั้นแต่ใจมันไม่ <c oughs> สบายให้มีแต <c oughs> ่มุ่งทางใจ <c oughs> สะดวกสบายที ai, blessing, ่ไหนก็อยู่ไปก็เพื่อปฏิบัติไปใจแต่ความส h ขความสบายนะสบายมากอยู่ก็สบายตายก็สบายเป็นสุขทโตวทั้งอยู่ทั้งตายทั้งไปทั้งมาเพราใจท่นเป็นสุขนแบบนั้น แต่เราเชื่อมัน่นในจิตในใจของเราจริงจังมันก็พอบึกเบืนพอไปได้นี่เราก็ยังสงสัยรังเลในตัวของเราพอแม่ธัญยาจะให้สึกห้าลาพุทออกไปถ้าเราอยู่ในศาสนาเราจะต้องตั้งหน้าปรเพื่อปฏิบัติหอกกายถวายชีวิตอุทิศ ต, ต่อศาสนาจริงจังจะได้หรือไม่ ทำไม่ได้สืกออกไปพร้อมในเชี่อฟังเรื่องของท่านท่านก็จะไม่ดูแลท่านจะไม่เกี่ยวข้องมาระดกทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรเป็นของของเราท่านกวจะไม่ให้เพราะท่านถอดทิ้งท่านไม่เชื่อว่าลูกของท่านในเชื่อฟังคำของท่านท่านจะตัดเราแบบนั้นเราก็เลยสงสัยอยาจะไปทางบวช นรือจะไปทางคาราวาสเหมือนมันโปร่งใสมันไม่แนนอนในใจอย่างนั้นนันก็ต้องไปได้อยู่ได้คึกได้เพราะความยังไม่แนนอน่ น, น, น, นอ่อ <c oughs> อ น, น่ น, นี่นี่นี่นบุนี่นนเปนนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น่น่น่นี่นี่นี่ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นน อย่างไรก็จะตัางหน้าต่างตารักษา <c oughs> ตัวของตัวเดี๋ยตัวของตัวเองบุญคุณผีบิดามารดาให้มาหลังกายอันนี้ได้มาจากท่านอันนี้มันโชคลาภใหญ่หลวงแล้วได้แล้วมรดกจากท่านหาที่อื่นไม่ได้พอแล้วเรามีกายอันนี้เราจะอาศัยกายอันนี้ ทำ ม, มาหาจินถึงตัวเองให้ได้คุงบวเรียนในศาสนาก็จะอาศัยกายอันนี้ปฏิบัติรักษาศีลธรรมให้รู้แก้งเห็นจนให้ได้น่าจะเป็นอาศาัยตนอีกมันก็ไปได้เคยมีในสมัยพุทธกาลอย่างพระรัฐบาลมันก็เป็นลูกของเศรษฐีไม่ถูกชายคนเดียว พอแม่ผูกมันเกิดก้าวกว่าไหมยินยอมอนุญาตแต่จิตใจมันคิดอยากจะไปบวชขออนุญามาอะไรก็ไม่ยอมให้เพราะไม่มีใครที่จะรักษาเข่าของสยบมรดกมีลูกคนเดียวเท่านั้นตระกูลกัตระกูลเศรษฐีมั่งมีสมบัติทุกอย่างดีพอไหมฮะมาก่อ จะมอบให้ลูกคนเดียวของท่านแถวนั้นในเมืองจะให้คนอื่นที่ไหอยากให้ลูกไปบวชแต่ลูกก็คิดแต่จ ะ, จะบวชทายเดียวผนที่สุดลูกก็ไปทางหนึ่งพ่อแม่ก็ไปทางหนึ่งก็เลยตกลงกันในด่พ่อแม่ไม่ยอมให้บวชลูกก็จะบวช ยามอยู่เลยอดฝากอาหารอดหลับอดนอนจนสุกจนผอมจนจะตายเห็นว่ามันจะเอาจริงเอาจังค่ะฮะปล่อยมันไว้ฝ่าฟืนมันไม่ให้อันนี้อยากให้มันไปมันก็จะตายทิ้งเมอมันตายมันก็ยิ่งร้ายกว่ามันไปบวชอันนี้อยากให้มันไปไหมมันไปแล้วมันเคยอยู่สุขอยู่สบาย าหาการกินไม่เคยอดยาอจากจนไม่เคยขอคนอื่นในบ้านนี้เรื่อของเรามันมีสมบูรณ์ทุกอย่างที่อยู่ที่อาศัยอะไรก็รูลาออกไปอย่างนั้นไดบวชไปขอทานคนอื่นก็กินอ chin. ยากได้ห้าวก็เป็นได้หวานอยากได้ร้อนก็ไปได้เย็นอยากกินอันนั้นก็ไม่ได้กินตาม ความอยากของตัวอยากกินนั้นนี้กับอะไรกินตามความอยากของตัวนั้นคงทนไม่ได้ยากมันก็กลับมาตึกมากล่อยงันไปดีกว่าพอปล่อยไปจริงจังด้วยความชั่อมัน่นด้วยความตั้งใจกับตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติภาวนาจนหมดที่เหลือปัญหาในจะห่วงใยอะไรแล้วโลกจิตใจเห็น อาจเห็นทำจริงจังหรือไม่อะไรห่วงใยเขาห่วงเขาห่วงอยู่นั้นก็บเพืนทุกข์เขาความห่วงความห่วงของเขาตัวของเขาเองก็ไม่ได้ทั้งทังที่หามาไว้จะใช้ในหน่วยเวลามีชีวิตเป็นอยู่แถานั้นตายไปไม่เกิดใหม่ทําไมไม่เกิดในตระกูลนั้น่ะนี่เขาฉันนะถ่ายจำได้ ฉันต้องเอาฉันหามาไว้โอสคฟองร้องจากลง จ, ลงจากศาลที่ไหนเขาจะให้เขาไม่ให้ไม่มีกฎหมายตายแล้วเขาจะให้อะไรก็ให้ไปเขาไม่อยากให้ก็ไม่มีสิต ท, ที่จะมาต่อว่าต่อเฉียงเขาเียงแค่นั้นลหละแต่เราก็ล้งกันอยู่ มันหลงในจิตเในใจมันหลงมาจากไหนในแจกข้ายามีใครหรอขยินดีเจริญใจจะให้รูกบวชอยู่ในศาสนาเรื่อยไปจนกระทั่งวันตายบวชไปเรื่อยมาขยากจะให้บวชเพราเป็นพิธีคนบวชตรงนั้นกัน นักหนาผีคิดว่าบวชแล้วจะต้องตงังหาตังตาบำเพ็ญภาวนาละชีเล็ตเจในยอมสึกหาลาพคจะในยอมในชีเล็ตของงามจิตใจถึงทุกยากลำบากขนาดไหนก็จะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในอดในธรรมมันมีน้อยผูกบวชกว่าดี ให้บวชพอเป็นปัทิทีนีบวชแล้วก็เปิดเผยตามเลืองอื่นไดเชียในเดี๋ยว ม, มองดูดจิตใจมันจะแก้ไขธรรมะมีมากจำนวนนักบวชปริมาณเป็นแส น, นในไทยแต่มันเหมือนฟางต่างเร่นเซียนก็ราคานิดหน่อยแค่นั้น ซอยเม็ดเล็กๆขนาดเม็ดฝ้ายก็ยังราคามากกว่าฟางสังเดียมเตียนในคุณภาคมีแต่พระใตเน้นเต็มวัดเต็มว่าแต่ธรรมะในจิตในใจจริงจังมันหายากบางทีนี้ธรรมะคนจีบวด ต, ต่างต่างๆปฏิบัติต็หายยากมเป็นมันเห็นในจิตในใจจริงจังมันสุขวันสบายใครจะดูหมิ่นนินทาตัวโลกกาช่างเขาว่าศาสนาะไม่มีมรรคมีผลนี่คนที่ทานอาหารอิ่นแล้วเขาว่าจะ คนนี้หิวจนจะตายแล้วนะเดี๋ยวนี้จะมารุกบ่ะงจีปากขอฉั่งเขาเราอิ่มเราก็ทราบในตัวของเราผู้ที่ดั่นเห็นด่านเป็นในจิตในใจเขาจะด้วยหมีนินทาา้าศาสตร์นามันเสื่อมศาสตร์ธนาเนี้ว่ามีผลนั่นก็เป็นเรื่องของเขาผู้ที่ดั่นเห็นดั่นเป็นดั่นก็ทราบอยู่ในตัวของท่า น, ทมนมีการหวั่นไหว เรามันเป็นอย่างนั้นก็ถูกลมปากแบบนั้นเขาว่าดีกว่าไปกันใหญ่ไม่ไปตัวยีตัววิเศษไปเลี้ยเขาว่านยีกว่ายีอ่อะเหาเขาเขาว่าหมาก็อเป็ น, นคําดูตูดของเต๋เอมันมีหางเลยอไม่กลับไปเหาเขากัดเขามัเป็นหมาถ้าถ้าทินไม่มีหางดู้ไหมข่อยนี้ อาจมีทำยับยั้งสั่งใจของตัวเองสอนใจของตัวเองก็เลย่วยเลยเสีย อ, นนอนนาจมีรรมีสติปัญญาระะักษาจิตใจมันปลอดภัยเขาเสืนะ้อเป็นหมอนไม่หายได้ยนะัง ที่ปิับแลได้วงอยู่ฐานวนน้าลแน่นลุกจ้างกับนายจ้างลุกจ้างรู้สึกว่าเขาหนักแน่นในศินธรรมวันหนึ่งเจ้านายก็งงอยาจะทดสอบว่าจะหนักแน่นขนาดไหน แล้วก็อยากจะให้เขาเสียศีลของเขาไปตามตำนานไปอ่านอ่านตำนานละยี่สิามสิบปีมาแล้วไปซื้อปลาปลาเทพโพมาปลาสดตายยังไม่ตายปลาเป็นอยู่จะให้ลูกจ้างเขาจ้งให้จิ้นลูกจ้าง ก็บอกว่า ấn, ผมรักษาศีลแต่ทําลงไปศีลผมก็ขาดเจ้านายก็ยังไงลูกจังผมว่าดื้อถือหลันไปฟังถอยฟังคำของนายอย่างนี้เดี๋ยวเด็กผู้เก่งผูเจ่งแกแกก็ไม่ยอมทำคือมันเก่นเตี้ยแตจแก็ไม่ยอมแล้วก็บอกว่าเป็นนายของผได้ก็เป็นนายอย่างใจกลายสนใจของผม เป็ น, นายของผมไม่ได้กายพ้ตายอะไรตายไปได้มีความบริสุทธิ์ใจในการรักษาสีนเป็นพออ่อดูันเจน้านายผู้ใหญ่มาเห็นเข า, เาสงสารเขาก็เลยห้ามแล้วก็ไถ่ลูกจากคนนั้นแต่อยู่กับเขา ม่หมายถึงเรื่องของศีนแต่ในจิบัตหรือผู้ที่เข้าถึงศีลถึงทำจริงจั ง, ง, งมันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวถึงเรื่องอื่นมันจะเป็นไปแบบไหนมันก็ไม่หวั่นไหวไปด้วยนอกจากนั้นเรื่องของ <c oughs> ดาบทที่ถ่ายกล่าวไว้หรือสีมีนายช่างคนหนึ่ง เครื่องประดับแหวนพวกทองเป <c oughs> ็นเครื่องประดับวันนั้นมีคนนำเจวมานีมีค่ามาให้ฤาสีตัวนั้นตรงนั้นท่านก็เคยอยู่ป่ามาก่อนอยู่นานเขานานเขาก็รู้สึกว่าเบื่ออาหารของป่าคือกินแต่ผลไม้อยากจะมาในเมืองมากินอาหารก เงาพวกปลามีคนขอจัดให้หาให้ในฉั่งเ็เหลื่อมใสเขาก็เลยนิมนต์ท่านไปบิณฑบาต ท, ทุกวันในบ้านของแกวันนั้นเผ อ, อิญเขานำแก้ววันนี้ที่มีค่าดูเหมือนแก้วของพระราชามะเป็น เป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากคนที่นาขขํามาก็ฆ่าก็ลนะูซีโนั่นก็ไปวินธบาตแต่วินธบาทในบาทในช่างเห็นก่อเลยเชื่อใจของลูซีว่าะฉันมีศีลมีธรรมเขาวางไว้นั่นน่ะผมจะไปจัดนั่นเขาไอ้คนที่วางเขาก็วางไว้แจกก่อเลยเขาไปครัวไปจัดอาหารจะม า, าใส่บาทของ รูสีมาให้รูสีรูสีก่อนนั่งรูยืนก่นเป็นสามอยู่นะท่านะอยู่ข้างๆกับสีเขาวางของแต่บ้านของนายช่างเลี้ยง <c oughs> นกกระเรียนตัวหนึ่งเอาไว้นกกระเรียนตัวนั้นมันเห็นแก้วแดงสุขใสก็ใจละก่อนหนึงอะ่ะพอนายช่างนี้ไปลงตัวโศกเอาแล้วก็กลืนเข้าไปในท้อง นายช่างออกมาเห็นก็เสียใจก็ไม่มีใครเข้ามาระยะ ก, ก็ไหมยาวนานอะไรแจ้วมันหายไปแจ้วก็มีเป็นแจ้วจะมีคุณค่าสูงนอกจากนั้นคนที่เอามาให้ก็มีอิทธิพลมา ก, กอาจจะถึงอันตรายอาหาให้ไม่ได้ก็ถามฤๅษี เห็นแก้วฉัน เ, เขาวางไว้นี่ไหมันก็ตอบว่าเห็นเห็นแล้วไปไหนฉันก็นิ่งไม่พูดเพราะ็ต้สงสัยว่าฤาษีเป็นคนขโมยเอาแก้วเขาสงสัยหม่ต้องถามเท่าไรท่านก็ไม่บอกแล้วก็เอาเสือมมัด ให้บอกดูวันเขียนตีด้วยมั้ยจนมัดเข้าไปเท่าไรใจจะขาดนะท่านก็ยังไม่ยอมบอกเพราะถ้าบอกเขาจะฆ่านกเราตายเสียดีกว่าที่เขาจะไปฆ่าตัดตัวอื่นนีฟานนึกคิดของท่านท่านก็ไม่ยอมบอก รัดเข้าไปรัดเข้าไปตีเข้าไปเลือดมันไหลมันตกลงมาจับปากจับจมูกคือรัดจะให้ตายอ่ะเลือดมันตกลงมาไอ้นกกรเรียนมันเห็นเลือดก็วิ่งมาตัอีกให้จิ้นเลือ ด, อดไอ้นั่นก็กําลังโกรธอยู่ก็เตะนกเตะทั้งแรงก็ไปโดนนกทั้งแรงถูกนกเข้านกก็าตายเพรนกาตาย ท่านก็เลยบอกออกเปล่าเดี๋ยวก่อนแวะศกขยับขยายเชือกออกสักหน่อยเราจะพูดกับท่านคนนั้นก็โกรธจะพูดอะไรก็พูดมาก็ได้นะมันพูดไม่ได้มันรัดแน่นเกินไปจนเหลือมันไหลมันตกแล้วก็เลยแก้เชือกออกท่านจะพูดนกกรเรียนตัว น, นี้เป็นแจ้วของท่าน มันเห็นเป็นก่อนเนื้อเห็นสีสุกใสแดงก็เลยโอบกลืนเข้าไปในท้องแต่ก่อนท่านทําไมไม่บอกฉันถ้าบอกก็กลัวว่าคุณจะฆ่านกนะครับจะมาเลยไม่ยอมบอกถ้าบอกจะฆ่านกแต่จะมาไม่บอกก็จะฆ่าจะมาเถอะจะมาตายดีกว่านกตายเพราะจะมาแบบนี้เพราะมึมมงยั่อะไรอยู่ไปมันก็จะตายอยู่แล้ว อย่างนั้นแต่วันนั้นก็บอกเลิกจะมาบิณฑบาตที่บ้านอีกแล้วก็ตระกูลต่างๆที่นิมนต์ท่านไม่ยอมไปกับเข้าป่ามนีการ <c oughs> เกี่ยวข้องสังคมกับคนมันเป็นโทษเป็นทุกอย่างนี้แ่้วก็เนี่ยสอนท่านเรื่องของดูสีผู้จะรักษาสี เอาจริงออาจังเป็นอย่างนั้นพวกเรามันไม่ไมถึงนั้นแล้วพอเป็นพอไปมันก็ไม่ยอมอยู่นี่แต่อยากจะโด่งจะดังจะเด่นค น, อ, น, น อ, อื่นเขาเป็นอย่างไรสัตว์อื่นเขาเป็นอย่างไรไม่คาดคิดทำเห็นของคนที่ทูตสินมันเป็นไปแบบนั้นเบียดเบียน คนอื่นเบียเบียนกับอื่นและเบียดเบียนตัวเองใจฉันที่จะส ง, งบสุขมันก็สงบสุขไม่ได้ต้อ ง, งูวุนวั่นกังวลเรื่องอื่นพระสี <c oughs> รักษ์เสมอชีวิตของท่านชีวิตของท่านเอาเป็นตัวประกันถ้าหากจะให้ทำลายชีนั้นให้ทําลายชีวิตจนะต ด, ด, ดีกว่าการคิดทั้งสัก เพื่อทำให้หมดาพันตรายอย่งจะดีแต่ชาวนรผู้่ายคนนี้ล่ะผู้ชานนี้ล่าผู้ชายลืมเขาลก้อนตายไปหนึงวันต่อผู้ที่ใช้อุปสรรคถามว่าสำหรผู้เฒ่าไป ตายังนะคุเตายตายคุเรื่อม่ได้ยิงัจอร่มเจแล้วเออสุนเออสื่อจะจเาท้องหายท้งหน้าไปตาไปซู่ว่าแจ๊ออกกบบานล้มเฮี้ยนนี้รล่มเลยรั่มจะโคงเกาดอก ปวดนีขึ้นเศ้าขึ้นมันเสือขึ้นนบ้าบาคอยีใหม่ขี้เสือเด้วถามมาข้อรมหือนโอ้รั่มนหนึ่งู้ไทยปัญหาข้อาั่มจะได้ยุคที่แม่เงินคนยคจอมวันผล่ไทยแค่ผูไทยสอบรัมบอกคือคนงนมหัวใจดอกภาษาเขา จะผสมตรง้วนอยู่วันหือไส้จะห่งเลือกพระได้หอพระที่เขาจะวะคอยตะยนใสเขาจะมุขคอตะการเลยฮะพระที่เขาตะยนไสไม่่าหรือเอาอีีคุณเ็กน้อยอายุเปีแปดปีไปจสิ้นไสิ้แปดบัวพุ้งยิงคือไส้พอเขาลงเี่นเันเขาไปยังเศ้าเหมือนพระแ่ะที่จึงปมด ขี้น้ำฝนเขาทาไมทําหน้าเนี่บมันข่อยนิ่งไหลเปนไรขณะแร่งรู้ยังไหลไปเนสามเดืทีแต่หลัแรกขี้นผู้นิ่งแต่หลผู้ใต้แ่ไหลแต่ผู้ใต้ก็นอนลงช้างหน้าเปนหมอให้นอนในวัดสะดสบายนุ่งหันดี ก่อนมันทางรถบุญบุญอย่างรบขวัดอกงานแสดงจมูกเด็กจมูกหดมัวใต้ค่ะคุณยังกระจายถือหดมือหนึ่งในระยะทามันไกลยูหันนะทางนั่นทางไม้ทาบอดีจุดแท้ม ทางมันหมดข้าวดอนดอกทางมันคือหลักบ่คือพิษเอ็ดได้ามิหกมกดาหารไปฮ่องไกใต้มืหมันสบายมือคุคนไปใส่ไปหาด้คอยยืมฮะจะบืีคนข้าวตลาด แันเขาวงจับไข่เด็กคนคู่ใดได้ใจไปชวนวัดสบายแต่ก่อนเบิ้ลตีกับวงนี้คนมาขอกินข่าววัดหนึงดอกสบายถ้าเฉพาสงศ์จะโไปหามาสูกผีหนึ่งยังหนึ่สองเทีนสามเทียนขนาดถ้าเฉพาสงศ์นผีผ่านนะสมัยก่อนยู่งงง มีโอกาสเวลาสือด็กภาวนาโมเดิุ่นยืนวนว้ครับเรื่องทางกานศึกษาโมเดิร์นยืนวนไหวาครับคนอื่นต้ตรี่มใจเจ้าของจะดวกสบายหลายตัวทังสะดวกสบายหัวนมทำบุญแบบนี้ก็ว่าไงนี่ห่างๆออกจากคนตายอาจจะว่าสงฆ์นั้นด้ก็ นี่หน่อยขณะถ้านมีดเท่ามาคอยดึงกันไปหันแกกันไปลาวกันไปหันเพชรแถวนี่ดอกพอเพิ่นตั้งองค์เจ้าอยู่พาไปหาภาวนาเวราไปฮะเงินนาทองเลื่อกว่ตตวของหุ่นไหวกันนอกจากนาติเขาพันสาแลวเขาพันสายไม่ไหทใาวัดกันทันอ่ะมันแบบนี้อย่างยุ่งเกี่ยว แล้วอยู่บาได้หนลสงบสบายเสเหน่มันพระเสพสงฆ์นานเดียวกันมันหลายวัดนั่นเอาบุญอันนั้นัดนี้นงานอันนี้ได้ดึงกันไปแกกันมาแล้วหันน่หนึ่งได้ง่ยดสิสอรับนีมลจะได้บ่อเลยอย่วัดดีว่าไ นี่จะไปหันม่ายนี้เรื่อยๆพอง่ายมันลายย่นสบายอย่างนี้ครังความเป็นอยู่สะดวกสบายตอนนี้เบี่ยงนอกไปวุ่นวายเยอะอกานมีการไม่ง่ายมันเดาแค่เรื่อ บเทเป็นยังไงดอกบุญของไฟบเขางี้ดอกแม่สาคัญของผู้ชายคือกาที่เราเป็นงานงานสาคัญที่เสร็จเพื่องานท่านสางานอันต่อจากสุภะดับดินเขานละเจอเป็นงานสาคัญที่ปุ๊บหลูมนี้เขาได้แผ่นงานเป็เรียนเป็นหละเห็นว่าจะบาดดับเนี่ยงเเป็นงานสาคัญงานแต่ถิ่นงานมันบ่ค่อยทีเป็นสาคัญบ่มีถูกควนหลาย แานไร้ารงานสะอาดงานเขาจะได้ยินสงวันเป็นงานสำคังของเขาสุดเป็นงานที่เขาทำบุญร่วมกันแลว่าฟูหน่อยฟูเงยไปัดไปว่าตักบาท่านบุญแล้วที่นี่ของเขาสีกันท่านน้องเนาะ เขาเคยกันเขาเนย้มเพิ่มเติมแต่รื่องนี้ของเลรจาบัเขาเคยนย้มแดดแต่เขาเนย้มกันหน้าแบบนั้นเขคอเปลี่ยนแปงความเป็นหน้าของเขาแต่มีคนสนใจภาวหน้าหลายแบบผู้ชายแบบหนึ่งว่าผู้หญิงผู้ชาย คือเขาสนใจด่านภาวนามีคนมาบอกแอบภาวนาให้ตั้งเรื่อยๆเาอยู่ความเห็นที่ิดเขาเป็นแบบจ่าแถห้าวแถวห้าวอยูอูเห้าวมากแค่แคาเท้าหาข้อหรอไม่ข้อหาได้หคนภาวนาโหหลนเอะมากนี้ แต่ก็เาลเสียงหนึ่งสุดมากเลเงียบการจีนขดะนั่นเอยู่ด้บัวพุ่งบัวพุ่งไส้เห็นไหมครูบาอาจารย์มาเล่าเรื่ภาวนาอย่างอาผ้าเรื่องกลองถูกกล้อเห็นต่างตเขาพอวาได้เขาเขาฝึกเขาปฏิบัติมีห้า ผมาวัดมาว่ามัน่คอยงดใชหมท่ากันนะท่านเกิดบ่เออท่านตอนนี้มงขังนั่นมานิยังงะต้องเอันทุตัวเอได้ต้องตัวมาโลกต้องยางะนี่ละว่ามาเขาเราเขาไปอยู่เก่าอักขปะต้ง มันย <c oughs> ouais. ังสมมตพราะฉะนั้นเราหมายถึงที่น่าุอายศงจับตุขั์ุขังอจังไปงไปยุ่งงา่ขุขัท์เป็นค้ค่อมกำหนดมันดูตุกขังอายุจังไปยุ่งง่ายจีม่ัดต้องไปนี มันก็เอาหายไปกรปกก็ระสับเรื่องเกิดตั้งการตรนี้กันได้เรองตรงนี้จอว่าเป็นนี้พวกได้หรือเขาเนาะพวกอันนีมัเกิดมาจไหนล้มันสาวเหายมันกิดมาจากต่างหานเนะ ก็จะใกัอย่างนนกัหา้อันนี้มันไม่เยอะคตอนไม่เยอไม่เยตนนก็ยอยิ่งคา่ของมันูมันแนา่อ้ว่ผมคงจะตั้งอย่างจุดีส สายออกเนี่ยปัเป็น่อเป็นมบางหลยเ็ค่อมอย่างเงอยพาเหยื่อที่ไหเราไ่คอเนี่ยเราปักไปปักไ็เป็นเพราะว่าเัาเคยก็จ้างงานงานกระไรงานงานชงงานงานขับสมุดเมุดก็แข่งรู้ปกัน เน a ่ยๆฟังกั